ตตจะไได้ไปสสู่อนนี้เรามาฟั ง, ฟงเคสดีมาด้วยกันมาฟังด้วยกันเคสที่996ลูกเขถาถวายตัวเป็นลูกพุทธามคนหนึ่งของหลวงพอ่อค่ะสาวไทยเมืองสิงห์ลำพึงลูกเป็นคนไทยแต่จากบ้านเกิดอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานถึง18ปีแล้ว ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ลูกไม่เคยได้พบพระเลยไม่เคยใส่บาตทรทำบุญเลยสักครั้งเดียว oh. จนกระทั่งเพื่อนในแนะนำน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำบุญอยู่ที่โตเกียวน้องคนนี้ก็ได้แนะนำให้ลูกติดจานดาวธรรมแรกแรกลูกปฏิเสธพระพารี่สินมากมายแต่น้องเขาก็ไม่ย่าท่อโทรศัพท์มาถามสารทุกข์สุขติดอยู่เป็นประจ อีกทั้งคอยช่วยปลอบปรมโลมใจลูกสุดท้ายก็ออกเงินค่าจานให้ลูกฟรีๆเลยค่ะสาธุทุกวันที้ลูกดูดาวทำทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวนี่การที่มีหนี้สินเนี่เป็นการอารับเอารัดเอาเปรียบเป็คนรวยหรือเปล่าไม่เปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ล้ำไม่ดีนี่หมูไม่หมูไม่อ้วน ชีวิตของโลกเปลี่ยนไปแม้จะยังลําบากกายอยู่แต่ใจนั้นมีความสุขลูกนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยจะเห็นความสว่างภายในดงแก้วสว่างกลางท้องหยุดตลอดเวล า, าไม่จนแล้วลูกไม่จนแล้วมีอริยสัพย์ภายในเครื่องรื้มใจของพระอริยะเจ้าคําว่าจนเนี่ยไม่มีแล้ว แล้วขอความกระรานครูมิยาช่วยฝัในใหฝันลูกด้วยน่เจ้าคะบ้านเกิดของลูกอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเราเป็นคนบ้านเดียวกันเนอะโลกเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมีพี่น้องทั้งหมดเจดคนโดยลูกเป็นคนที่สองพี่สาวคนโตองลูกเสียชีวิตตั้งแต่อายุหกขวบตอนนั้นลูกไม่เศร้าพี่สาวเป็นโรกาไรแต่พี่สาวนั้นมีหัวที่โตวกว่าตัวมาก หัวใหญ่พอๆกับบาทละโต oh. พอพีสาวเสียชีวิตลูกก็กลายเป็นพี่สาวคนโตของน้องชายสองคน oh. นี่พีสาวคนโตเลีกยทายลูกเป็นพี่สาวคนโตแทน <Okay. S 1> แล้วนักสายสามคนต้องหาเช้ากินขํา oh. หาข้ามกินยังคืนนี่โ oh. ดยจึงเรียนได้แค่ชั้นมสามั้งทั้งที่ยากเรียนหนังสือมากเอ oh. ็นเัื่อนก็าได้เรียนอขาจะคิดเสมอว่า oh. เขาคงได้เป็นใหญ่เป็นโต oh. แต่เรามีบุญน้อย นี่ก็เพราะทำมาน้อยแล้วลูกเกิดมาอาภัพเละแอกร้องไห้ทุกวันเลยค่ะแต่ลูกพยายามปลอบใจตัวเองว่าแม้ไม่ได้จะเรียนสูงไม่ได้เป็นอย่างที่ไฝฝันก็ไม่เป็นไรลูกขอแค่โตขึ้นเป็นคนเก่งและดีของทุกคนก็ภูมิใจแล้วค่ะมื่ดยอายุ12ปีคุณพ่อแม่ก็เด็ดส่งลูกไปอยู่าที่จังหวัดอุดรธานี ในช่วงที่ลูกอยู่กับคุณอานั้นลําบากมากมชีวิตเหมือนทาสตั้งขายของทั้งกลางวันกลางคืนเงินสักบาทคุณอาก็ไม่เคยให้เลยเสื้อผ้าสักชิ้นก็นไม่เคยซื้อให้ใส่มีคนก็เห็นลูกแล้วก็สงสารก็หาเสื้อผ้าเก่เาๆมาให้ต่อมาลูกยังหนีออกจากบ้านของคุณอาโดยที่ไม่มีเงินสักบาทจะขึ้นรถกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เพราะไกลมากแล้วค่ารถก็แพง เราจะไปเขาทํางานในร้านอาหารอยู่เกือบปีเพื่อเก็บเงินซื้อเสื้อผังตัวเองและเมื่อเงินพอกับค่ารถแล้วก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ทันทีพอไปถึงคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่คุณพ่อโกรธแล้วไม่ยอมเข้าใจลูกกลับมาทําไมไม่พูดกับลูกอยู่นานเป็นปีเลยค่ะสงสารเธอจังเลยเมื่ลูกกลับมาอยู่บ้านลูกก็รับจ้างสักเรศ แล้วก็เป็นคนดังคนดังทั้งตลาดพระลูกรับจ้างถีดสามล้อที่ดังพระลูกเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับจ้างถีดสามล้อในจังหวัดสิงห์บุรีเสียงฮือฮาเคลียวกล่าวปลบมือก็เป็นลั่นโลกเลยมาสาวเมืองสิงห์ได้ปั่นจักรยานเป็นคนแรกของจังหวัดเป็นที่เรื่องลือฮือฮากันไปทั่วชาวบ้านร้านตลาด และตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนี่ลือในยุคนั้นลือไปจนถึงนายตำรวจและแนายอำเภอลูกทำงานเกือบสองปีเพรา ะ, ะไรายได้ดีวันละสองสบาทนี่จนกระทั่งมีเหตุทำให้ลูกต้องเลิกทีสามรอบไปคือถูกรถชนขาข้างซ้ายเสียในช่วงนั้นลูกแต่างงานแล้วและมีลูกชายหนึ่งคนพอทำงานไม่ได้แล้วก็คิดมากจึย่ยงฝากลูกชายไว้กับคุณแม่ เดอนทามาหา ง, งานในกรุงเทพโอ้ทำไมแปลกบ้าเงินนะลูกหา ง, งานทำไรก็หาไม่ได้เ<อ>่ครูไม่ใหญ่เมื่อไรจะหมดงานทีกดี <c oughs> มันม่ให้ทำดาววันเลยเพราะเรียนหนังสือมันน้อยไม่มีใครรับจนในกรุงเทพมีคลับบาร์เปิดให้บริการมากมายลูกยังได้ไปทำงานที่บาร์ญี่ปุ่นแถวพัดน์พงศ์สมุญ ญ, ญาติดกลำลังกระุ่งมาก เราทำงานได้สองปีกับรพกกราชาญญุ่นคนหนึ่งเขายุมมากแล้วประมาณห0สปีแล้วก็ได้ทำธุรกิจบาร์ก็เริ่มกันที่พัฒพุศตอนนั้นเราคิดว่าคงจะสาบายเสียทีเพราะส่งเสียครอบครัวได้ถึงเดือนละห้าหกมื่นบาทคนพ่อขับรถจากสิงห์บุรีมารับเงินถึงร้านทุกเดือน oh. แต่ทำไมสองสามปีนี่เขาก็นอกใจลูกไปแต่งงานกับหญิงญี่ปุ่นรุ่นราวคลาวดีวกันรุ่นหสิบกว่า hey. โลกเสียใจมากจึงปิดกิจการก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจเลยให้ก็ารับเซ้งต่อไปหนึ่งปีถัดมาลูกเด็กกับพบชายคนหนึ่งซึงต่อแร ก, กไม่ทราบว่าเขามีเจ้าของแล้วเพราะเขบอกว่าไม่ไม่มีเพราะไม่มาถ้ามาถึงจะเรียกว่ามีมมไม่รู้อะไรมาอะไรมีะอะไรอะไรมาก็ไม่รู้ถึงจะเรียกว่ามีแต่เพราะว่าไม่มาจึงไม่มีเนี่ย จึงได้อยู่กินแล้วก็มีลูกชากับเขาหนึ่งคน oh. อ๋อนี่ไอ้พ่อมีแล้วไม่มีเราเจอเป็นหนึ่งคนแรกๆเขาก็เลียเ้ยงดูส่งเสียลูกกับลูกชายดีแต่ต่อมาเขาก็ให้เลี้ยงดูเองคือไม่เลี้ยงดูอย่างเคยลูกจึงหนีจากเขามาอีก ข, น, ข น, นั้นขณะนั้นลูกชายสองคนแต่ว่าคนละพ่อกําลังอยู่ในวัยเรียนตั้งกินตั้งใช้ลูกตัดสินใจพาลูกๆไปหาคุณย่าของลูกเอง คุณปู่คุณย่าท่านเป็นคนจีนครักลูกมากเมื่อลูกกลาบเท้าท่านขอ้ท่านอภัยในความผิดพลาดที่ทำลงไปคุณย่าก็ได้ให้อภัยลูกแล้วก็รับ่จะช่วยดูแลหลานๆให้ลูกเด็กโยกคุณย่าที่กรุงเทพและหางงานทําต่อเราเด็กกลับไปทํางานกลางคืนอีกครั้งสิ่งชงนั้นมีมีทัวร์ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากพอได้เงินมาก็มอบคุณย่าเอาไปเอาไว้ใช้และสอยลูกลูกชายเรียน นล่งจากนี้ยังได้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่และนังน้องด้วยจิตใจเธอมีความกตัญญูกตเวทีดีเหลือเกินต่อมาก็ถึงคลาฟาลิคตสามีคนปัจจุบันเป็นชายญี่ปุ่นเดินมาทเที่ยวที่ร้านของลูกตอนนั้นเขาเป็นหนุ่มสดลูกเจอเขาครั้งแรกเขาเฉยเฉยแต่พอเขาเจอลูกเขากลับไม่เฉยเขากลับแอบชอบลูกกลับไปญี่ปุ่นแล้ว เขาทนไม่ไหวก็ยังโทรกริ้งกลางมาพูดคุยกับลูกทุกวันสุดท้ายเขาก็ขอร้องลูกวัดดาร์ลิงให้ลูกเลิกอาชีพนี้เถอะเขาขอลูกแต่งงาน<อ>และยอมลาออกจากงานที่ญี่ปุน่นบินมาอยู่กินกับลูกถึงเมืองไทยเ<อ>ขายอมลาออกจากงานที่ญี่ปุน่นเ<อ>ขาเลิฟลูกมากบินมาอยู่กับลูกที่เมืองไทยเ<อ>ขาบอกลูกว่าใจของเขาเนี่ยขอมอบให้ลูกเพียงคนเดียวหวานอะไรปานนั้น เราตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้แล้วคุณย่าทำเป็นห่วงลูกมากแต่ก็ลูกแต่งงานพทั้งหลายยุ่มากแล้วคงอยู่กับลูกได้อีกไม่นานสองปีต่อ ม, มาคุณย่าเกษียชีวิตจริงๆค่ะลูกจึงเดินทา ง, ต า, งตามสา ม, มีมาอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนลูกชายสองคนก็ได้ให้อยู่คุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยตัวลูกมีลูกชากับสา ม, มีคนญี่ปุ่นอีกสองคนตอนนี้ลูกมีลูกชาทั้งหมดรวมสี่คนค่ะอโอก็ได้บวชพระสี่องค์เลย <c oughs> แรกๆที่มาอยู่ญี่ปุ่นลูกลําบากมากลูกจะร่วมบ้านเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของสามีบ้านหลังนั้นอายุมากแล้วเจอปุ๊บลูกก็อ้าอืมอเลิร์สุดขีดตกใจอยากกลับบ้านทันทีเลยเคยถามสามีว่าบ้านหลังนี้สร้างมานานเท่าไหร่เขาก็บอกลูกว่าเป็นร้อ ตั้งแต่แซ บ, บุนกี้ยังไม่มีไอเดียมาตีคุณสีพอแซบมาได้ร้อยกว่าปีแล้วโอ้โหถ้าอยู่กระหัรอายุยืนทีเดียวร้อยกว่าปี mm hmm. ห้องน้ำนั่นแหละคะ <laughs> เป็นธรรมชาติทีี <laughs> เป็นส่วมห <laughs> ลมุมขุดอยู่นอกบ้านมีไม้พาสองอัน <laughs> <laughs> จะไม่เหงาเวลานั่ง เมื่อมองลงไปนเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์นี่มีสัตว์เล่าที่น่ารักยัวเยีย่ยเต็มไปหมดมส่วน บ, นบ้านตอนกลางคืนลูกเดินแล้วขาเนี่ยจะตกลงไปในร่องหลายครั้งเพราะว่าไม้มันพุบ้านก็อยู่ในป่าฝนตก ก็ต้องเอากระป๋องมารองนะตามเรารวบนหลังคาเสมอเอาครูผูใหญ่ตอนสร้างวัดใหม่ๆก็อย่างนี้เหมือนกันนี่เอากระป๋องมันกระมังเออฟังเพลาะดีนะตอนสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยตีอาการดาวดึงหนึ่งตอนนั้นไปเลือนไม้เอ็มก็ฟังเพลินดีนะอืกำลังจะหลับแปะเออ มืก็สดชื่นดีเพื่อนนะนึกถึงความรังครั้งนั้นกอนสร้างวัดใหม่ๆฝออนุตสบา้กำลังใจให้ชื่นใจนะ <c oughs> พยายามหาช่องทางลอดหลังกากับฝ้าพิดดนมาอยู่ใกล้ๆครูไม่ใหญ่จนได้กากะป๋องวางอยู่เป็นเพื่อนป๊ะดีโอนายยกลุ่นตอนหลวงพ่อตอแต่จูตอนยังหนุ่มอยู่ยังรูปหล่อ เด็กสององครูไม่ใหญ่ลูกแล้สามีต้องทํางานเพื่อเลี้ยงดูคุณพอ่อคุณแม่ของสามีด้วยดโดยลูกจะรับจ้างเย็บถุงไอ้กระป๋อถุงที่นี่เนี่ยาาไม่ใช่ถุงเล็กๆนะค ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเรียกทำไมเนี่ยบรรยญ่เหมือนก็สอบถูกต้องจ้ะก็เรียกกระสอบแล้วก็บ่น <laughs> เรียกไปเรียกกับสอบแล้วมันแพงนะไม่ได้เอาไว้สาหรับกันน้ำท่วมค่ะโอ้แงจะหนักแค่ไหนลูกก็ไปท้อขอสู้ด้วสองมือกับหนึ่งใจดวงนี้ค่ะเข็ดแลวยังละลูกเข็ดแล้วเข็ดแล้วแล้วก็ต้องสั่งสมบุญบารมีให้เยอะๆนะลูกนะคุณพ่อสามีชอบออกไปยิงหมูป่าทุกอาทิตย์ ปีนี้ก็ล้องในะปีกูลบุญโตยิ่งนกตกปลาดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำลูกไปอยู่ได้9ก้าปีคุณพ่อสา ม, มีก็ล้มปวดเป็นมะเร็งที่คอลังปลาแตคุณหมอบอกว่าโอ้โอบานจะอยู่นั่นนะ่ะอายุมันยืนมากเก่ามากโซกกระโปรกแล้วมีเชื้อโรคถ้ากลับมาอยู่บ้านก็จะไม่สบายอีกสา ม, มีกับลูกจึงไปกู้เงินมาปลูกบ้านใหม่จนเสร็จ<ม>พอปลูกเสร็จ พ่อสามีก็ตายคุณพ่อสามีกขบ้านได้กค่สองอาทิตย์ทังก็เริ่มทานข้าวไม่ได้พูดแต่เสียงไม่มีจาต้องอากระดาษให้ทัางเขียนสื่อความในใจคุณหมอก็ไม่รู้จะทาไงบอกว่าให้ผ่าตัดอีกแต่ก็มีอากาศรอดน้อยมากโอ้เห็นแล้วหยองอย่างเลยผ่าคอเป็นช่องหายใจทางคออืม ทุกอย่ามก็ออกมาตามข้อที่ทำช่องไว้โอ้สรุปว่าพวกเขาก็เขียนแล้วโ อ, โอ้ยังก็อยู่ในสมรภูมิสรุปว่าตายโอ้อ่ามไปอีกสี่ห้ามันต้อเป็นหยองอะ่ะหลังคุณหมาสามีเสียชีวิตทสองทิศลูกก็เริ่มไม่สบายเพราะเกิดจากการทำงานหนักคุณหมอบอกว่าไทยอร่อยเป็นพิษไข้กินสูงโอ้ ต้องผาตัดด่วนแต่คุณแม่สามีไม่เข้าใจดุดาลูกว่ามารยาสาไทยโอ้ก<อ>็อกสามีว่าไม่สบายแต่สามีแม่จะเชื่อลูกต้องกาทำอะไรไม่ได้พระต้องอยู่ในโ อ, โอวาทของแม่สุดท้ายลูกก็ได้รับความช่วยเหลือลจากเพื่อนชายญี่ปุ่นขับ ร, รถพาไปส่งโรงพยาบาลจมผ่าตัดได้ในระหว่างนั้นคุณแม่สามียังไดโ้โอ้ตามไปราวีดาเพื่อนของลูก อย่างเสดหายเจ้าลูกต้องขอโทษเพื่อเป็นการใหญ่ในภายหลังค่ะปี49ช่วงที่เพิ่งกลับจากวัดประจำการติเมืองไทยในงานบุญยีสบองเมษาวันนั้นลูกมาอยู่บ้านอยู่ดีๆก็เกิดไฟลุกพลึบขึ้นมาในครัวควันดำพวยพุ่งกลายเป็นเพลิงไม่นักกรัวมากลูกชายก็นอนหลับอยู่แต่ก็มีรูปหลวงปู่นี่มหาปูชนิยัจจาั้งไว้ในห้อง แต่ลูกกลับมาถึงตกใจยังไม่ทันหายแต่ไฟหายก่อนตกใจ oh. ตกใจยังไม่ทันหายแต่ไฟมันหายก่อนมันดับไปซะก่อน oh. ก็ไม่ทราบเลยว่าอยู่อยู่ดีๆไฟมันดับไปได้อย่างไร oh. เพราะยังใจยังตกใจอยู่นี่ oh. เหลือสิ่งที่เหลือหลังไฟดับนั้น mm. มอดตะหลิวดำดำไว้ต่างหน้า mm. คำถาม เราเป็ความรักและผูกพันกับคุณปู่คุณย่า ม, มากแล้วท่านจะช่วยเหลือตัวลูกและลูกๆในยามทุกร้อนเสมอไปทราบว่าทำบุญกรรมใดร่วมกันมาคะตอนนี้คุณปู่คุณย่าเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนคะแล้วสามีคามนาไปจะบังการทําบุญอะไรร่วมกันมาคะถึงได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่ญี่ปุ่นบุญหรือกรรมใดยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าซึ่งอา ย, ยุกว่าร้อยปี antique <laughs> antique Ant Ant house a n t i q ตอนนี้สามีเลิกเสบุอรี่แล้ว แต่ยังเด่มเล่าอยู่แล้วชอบพูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นทําอย่างไรถึงใจสามีแกนิสัยไม่ดีนี้ได้เจ้าคะตอนนี้สามีจะขอบเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแต่ลูกน้องสามีเจ้ครับรถสงสารเองและไปช่วยกับคนอื่นเป็นเหตุที่สามีต้องขึ้นศาลพระลูกน้องชดใช้ค่าเสียหายพิจารณานม่มากเป็นเพราะวิบากกำไรสามีจึงต้องเดือดร้อนพระลูกน้องค่ะใครเดือดร้อนพระลูกน้องพึงฟัง ตอนนี้กิจการเริ่มลุ่งเรืองขึ้นเป็นพระบุญจาการสร้างพระใช่ไหมคะกรรมใดก่อนคุณพ่อสามีเสียชีวิตท่านดำเป็นมะเร็งดีคอมีใบนหน้าใหญ่และศีรษะระเบิดท่านตายแล้วเป็นไหนจะช่วยท่านได้อย่างไรคะแม่สามีลูกไม่ค่อยชอบลูกเท่าไหร่เข้ากันไม่ค่อยจะได้เรามีวิบากกรรมใดร่วมกันมาคะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรและกรรมใดลูกจึงถูกแม่สามีขัดความไม่ให้ไปหาหมอคะ เราคิดอยู่ตลอเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมาแล้วติดทายกันแม่สามียกที่ดินให้ลูกเจ้าวนุษย์จะมีบุญพอได้ถวายที่ดินสร้างวัดใหม่คะและการถวายที่ดินให้หลวงพ่อใช้ตามประสงค์จะมีอเนกสง์อย่างไรบ้างคะลูกมีวิบากกรรมใดถึงมีชีวิตที่ลำบากถึงแต่เล็กๆเมื่อยู่บ้านอาก็ถูกใช้เยี่ยงทาดต้องถีบสำล้อทํางานกลางคืนแม้ข น, นาดนี้ลูกก็ยังลําบากอยู่แต่ทําไมคนไปนอก ถึงมองว่าลูกมีชีวิตยอยู่ที่ oh. <laughs> สุขสบายแล้วล่ำรวยคก็โง่เฮงดีสักอย่างลูก <laughs> เดี๋ยวรวยเองดีแล้วให้ก็มองอย่างนั้นอะเดิดูดพิจิจอสิลูกคล้ายๆกัน น, นั่นแหละนั่นแหละมึง <laughs> ก็มองว่ารวยก็ดีมันนึกจนไม่ลอง <laughs> ลูกจางตองลูกที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยากบวชมากไม่ทราบว่า ความประรานาของลูกชายจะสำเร็จหรือไม่คะส่วนลูกชายคนเล็กไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือคะ่ะเป็นเพราะกำใดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะไฟที่ไหม้บานแล้วอยู่ดีๆก็ดับนั้นเกิดจากเหตุใดทำไมจึงดับเองได้เป็นเพราะมหาปูชนียาจารย์ช่วยใช่ไหมคะทุกครั้งที่ลูกมีความทุกน้องผู้นำบุญจะต้องโทรมาโทมาถามสรทุกสุขดิบของลูกพอดีทุกครั้งโดยไม่ทราบกันมาก่อนเลยเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้คะ แล้ ว, น, วนาบุญนำบุญคนนี้เคยทําบุญอะไรร่วมกันมาคะตัวโลกและเธอเคยสร้างบารมีกับโมฆะมาอย่างไรคะจำเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะาำได้ครับลับตาฝัเปตัเป็ตาตื่นขึ้นมาหายหนีแล้วก็ น, นําไลฟังเปนิยายปารัมปรากันจ้ะตัวโลกกับคุณปู่คุณย่ารักและผูกพันกันมากเพราะ ในอดีตก็เคยเป็นญาติและเคยเกื้อกูลกันมาปัจจุบันนั้นก็เกื้อกูลในความรักและห่วงใยในตัวลูกในฐานะเป็นหลานในสายโลหิตด้วยจ้าคนปู่คุณย่ณาตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวะระดับทั่วไปในหมู่บ้านภุมะเทวะแห่งหนึ่งมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในป่าใหญ่ในหมู่บ้านโดยการเพราะรักและผูกพันกัน ตอนทีมีชวิตยอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรนอกจากสงเราะห์ญาติใจที่โอบอ้อมอารีจ้ะตัวลูกสาวมีความปราจบับบานมาใช้ชีวิตร่วมกันที่ญี่ปุ่นเพราะได้ดีดนานมากนานแล้วก็เคยเป็นสามีภริยากันแล้วในชาตินั้นมาทำบุญร่วมกันแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงนี่ใช้คำนี้คอยได้มาเป็นสามีภริยากันอีกแล้วชาติหน้าก็มีจริงๆเลยจึงมาเป็นสามีภรรยากัน อะไรอย่งางนั้นก็พลัดกันไปเป็นกับชาตินี้มาเจอกันก็ได้มาเป็นสามีภริยากันอีกจ้ะต่อมาสายอยู่บ้านเก่าอายุหนึ่งร้อปีเพราะ <c oughs> ทํำฐานในของที่ไม่ประณีตมักจะเป็นของใช้แล้วกรรมนี้มาส่งผลจ้ะสามีเลิกสูบุรัแล้วแต่ยังดื่มเหล้าและชอบปูชาดูถูกเ ย, ย, ย็ดย้ำคนบ่อยๆถ้าตัวลูกอยากจะแก้นิสัย่เขาตัวลูกก็ต้องพาเขามาอยู่ในแวดวงหมู่กรมิตให้ไ ด, ได้เอาฟังธําจากพระอาจารย์บ่อยๆ อ้งเวลาทำบุญต้องขลังก็อธิษฐานจิตให้เขาเลิกนิสัยที่ไม่ดีนี้เสียใจาสามีเดือดร้อนเพราะลูกน้องขับรถชนคนอื่นทําให้ต้องขึ้นศาลเพราะได้ดีเคยใช้ลูกน้องนบไปแกล้งทําลายข้าวของของคู่แข่งในทางการค้าตอนที่เขาไม่อยู่ทำให้ข้าวของของคู่แข่งเสียหายตอนนี้ก็ติดตัวมาสมบุญให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเพราะลูกน้องของตนเองจ้ะ เราเคยไปใช้ลูกน้องไปทาลายคนอื่นกิจ<ะ>การเร่งรุ่งเรืองขึ้นเพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าคุณพ่อสามีเป็นมะเร็งที่คอมีใบหน้าใหญ่และสีสะระเบิดเสียชีวิตเพราะการในอดีตและปัจจุบันที่ชอบล่าสัตว์เชื่อสัตว์ที่คอด่าว่าคำหยาบหยาบไป้ายต่อคนอื่นเป็นวัจีกรรม แล้ชอบปืนไปยิงที่หัวสัตว์จนตายนะมารวมส่งผลจัด oh. ตายแล้วก็ดำดิ่งไปมหาศานรกขุมหนึ่งในกำป า, า้นอาิบาศ mm hmm. กำลังถูก น, นยายเนระยบาลยิงหัวบ้างบางทีก็เชือดที่คอสลับกันไปแล้วก็เอาหัวที่เชือดตัดเอามากองเอาไว้มันงอกขึ้นมาใหม่ก็ตัดออกมาอีก oh. จนกระทัหัวจะกองโตทะบูเขาด้แหละ mm hmm. ทุกทรมานมากตายเกิดซ้ำๆซากๆกจ้ะ ตัดวางไว้โผล่เข้ามาอีกตัดอีกอย่างเงี้ยไม่อาจจะรับบุญได้แต่ก็ให้อุทิศบุญไปให้เรื่อยๆบ่อยๆบุญนี้จะได้ไปคอยท่านอยู่ที่โยมโลกจ้ะแม่สามีไม่ค่อยชอบลูกเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะเป็นกรรมเก่าของตัวลูกติดเคยข่มขี่ลูกสะพายของตนเองจึงทําให้มาเจอแม่สามีที่ทำกับตัวลูกอย่างนี้บ้าง เป็นกรรมใหม่ของแม่สามีแต่ไม่ได้จองเวรกันมาจ้าจะแก้ไขาตัวลูกก็ต้องอดทนใจเย็นเย็ น, ยนหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็ยอมยอ ม, ยอมท่านบ้างอีกทั้งเวลาทำบุญก็ใส่ชื่อท่านอุิษฐานในท่านรักและเอ็นดูตัวลูกจ้าตัวลูกชมแม่สามีไม่ให้ไปหาหมอก็เพราะกำเนดิดดีตัวลูกเองก็เคยขัดขวางแกล้งหลูกสะพ้ายในยามป่วยไม่ให้ไปหาหมอเช่นเดียวกันเป็นภาพในอดีตของตัวลูกจ้า แต่นั่นก็ให้อโหาสิกรรมแก่ท่านไปเสียเธอจ้าเพราะเป็นวิบากกรรมเก่าของเราเองลูกอยากสร้างวัดไทยที่คะโคชิมะตัวลูกจะต้องนั่งธรรมะให้มากๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอและติฐานจิตขอ่อยมีผู้มีบุญมาร่วมกันสร้างอีก ท, ทั้งกายอยากก็ต้องพูดจาชักชวนให้ผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมมือกันจะได้บุญไปด้วยกันจ้า ส่วนที่ดินของแม่สามีาใครถือว่าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเพราะว่าศรัทธาศีลทิฏฐิของแม่สามีไม่เสมอกับตัวลูกจ้าการถาวายที่ดินให้หลวงพอ่อเลยใช้ตามเราสงอ์จะมีอะไรสงโดยย่อคือจะมีผังราชินีที่ดินติดตัวไปจะมีสมบัติทั้งสมเกิดขึ้นคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นจ้าตัวลูกมีชีวิตลาบากตั้งแต่เล็กๆ ไม่อยู่บ้านอากระถูกใช้เยี่ยงทาตตั้งทีสำล้อทำงานกลางคืนเพราะกรรมตรนีในดีอีกทั้งเคยกดขี่ญาติพี่น้องแล้วก็มีกรรมกา ร, ร, ร, รมีเจ้าชู้นำมารวมส่งผลเจ้ะแม้ขณะนี้ก็ยังลำบากแต่คนอื่นมองว่าสุขสบายและลร่ำรวยเพราะบุญส่งผลให้แค่ระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีกำลังพอที่จะไปรื้อผังตรนีในดีและวิบากกรรมอื่น อีกทั้งก็ไม่มีใครได้ไมาเห็นความเป็นอยู่ของลูกตามความเป็นจริงจ้ะลูกชายคนโตอยากบวชมากเพราะเขามีอุปนิสัยในการบวชข้ามชาติมาความปรารถนาเขาจะสำเร็จจ้าลูกชายคนเล็กไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเพราะสังสมบุญและอัธยาศัยเรื่องการศึกษามาไม่มากจ้จะแก้ไขก็ต้องให้เขาตั้งกองทุนการศึกษาแด่ ร, รับิณฑ์สมเนและเด็กนักเรียน อีทังต้องมันอบรมและคอยให้กำลังใจเขาแล้วะเขามีส ม, มาธิสั้นจ้าไฟไหม้ที่บ้านอยู่ดีๆกรดับเองเพราะบุญทิ่สร้างพระไว้ในปัจจุบันคุ้มครองและไม่มีกรรมเรื่องอาคีภัยคือไม่ได้เคยไปผ่าบ้านเลื่อนของใครอีทั้งปริมีธรรมของมหาปุญญาจารย์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้หนักเป็นเบาเบา เ, บเบป็นหายไปเลยจ้าทุกครั้งที่เจอลูกมีความทุกน้องผู้นำบุญจะต้องโทรมาถามทุก สุขของลูกพอดีทุกครั้งโดยไม่ทราบมาก่อนเพราะบุญที่เคยเกื้อกูลกมาก่อนและใจที่เชื่อมถึงกันอีกทั้ทงน้องผู้นําบุญคนนั้นมีหัวใจของยอดกัลยาณมิตร จ, จะ้ะตัวลูกและเธอก็ได้เคยทําบุญร่วมกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่ตัวลูกทําบ้างไม่ทําบ้างทําแบบตามอารมณ์ไม่ ส, สม่ำเสมอจึงทําให้วิบากกรรมในชาติอื่นๆ ได้ช่องได้ช่องส่งผลอในประสบปัญหาชีวิตต่างๆสนอบุญตาบุญกระทำบุญตามอารมณ์คล้ายๆตัวลูกแต่ก็ดีกว่าตัวลูกหน่อยหนึ่งจ้าคือบางพลังก็ยังเต็มที่มากกว่าตัวลูกจ้าก็ต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยกันทั้งคู่จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบริมิตรเต็มที่ในทุกบุญตัติษฐานจิตตามติบิลิสบรีวงบนวิเศษเขตบ ร, รมโพธิสัตว์ จะได้พลัดกันเลยจ้ะสาธุจะเป็นเรื่องราวของเคสตีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้